พระครูเล่าเรื่องที่สี่ก่อนแล้วจึงย้อนกลับมาเล่าเรื่องที่สาลืงพ่อแพรฟังไม่รู้เรื่องประกอบกับเหนื่อยจากการเดินทางจึงถือโอกาสนั่งจำวัดมาในรถสมผานวัดป่ามะ ม, ม่วงจึงไม่ต้องภากไทยให้ท่านฟังนายรัตนะรู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องที่ท่านพระครูเล่าขณะที่ท่านศรัทธาติดสะฟังอย่างสงบตามวิสัยของสมณนะ พระในถรร้มท่านบอกว่าบัดนี้บนนารรณาศาลาและต้นมะกลีผลก็ยังอยู่และจะหายไปเมื่อพระพุทธศาสนาของพระสมณะโคดมอายุครบ5้าพันปีปัจจุบันบนนารรณาศาลากับต้นมะกลีผลอายุกว่าสามหมื่นปีแล้วไม่น่าเป็นไปได้นะครับหลวงพ่อ สมภานวัดป่ามะม่วงลงความเห็นเมื่อเล่าจบแต่ก็เป็นไปแล้วแสดงว่าโลกนี้ยังมีสิ่งลึกลับซับซ้อนอีกมากมายที่ปัญญาของมนุษย์ยังเข้าไม่ถึงอย่างเรื่องบรรณาลาที่ยังอยู่ได้เพราะเป็นสิ่งที่พระอินทร์เนรมิตขึ้นมาไม่เช่นนั้นก็คงผุพังไปนานแล้วแต่ถึงจะเป็นของที่เนรมิตขึ้นมาก็ยังต้องมีวันเสื่อมสูญไป มิได้คงอยู่ชั่วฟ้าดินสลายท่านสัทธาติสสะกล่าวถึงความไม่เที่ยงแท้แห่งสังขารธรรมทั้งหลายทำไมบรรณาาลากับมัคลีผลอายุกว่าส0 0 0 0่นปีล่ะครับในเมื่อศาสนาของพระสมณะโคดมเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 2,595 ปีเท่านั้นคือผมเอา 2,515 บวกกับ80เพราะพระพุทธักาชเริ่มนับเมื่อพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพานในรัตนะรู้สึกกังขาท่านสัทธาติสะจึงอธิบายว่าเพราะเมื่อพระเวสสันดรจุติจากโลกมนุษย์และพระองค์มิได้อุบัติเป็นมนุษย์ในทันทีแต่ไปอุบัติยังสวรรค์ชั้นดุสิตมีนามว่าสันดุสิตเทพบุตรจากนั้น จึงจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาอุบัติเป็นเจ้าชายสิทธะเนื่องจากวันเวลาในโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ไม่เท่ากันหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดุสิตเท่ากับ400รปีของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นสาม0 0ื่นปีของโลกมนุษย์เท่ากับกี่วันของสวรรค์ชั้นดุสิตโยมลองคานวณดูสิในรนะัตนคิดในใจอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่า 75วันครับถูกแล้วถ้าคิดเป็นเดือนก็สองเดือนครึ่งเห็นไม่ว่าสามหมื่นปีของโลกมนุษย์เมื่อเทียบกับเวลาของสวรรค์ชั้นดุสิตก็ได้สองเดือนครึ่งเท่านั้นลุงพ่อครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่พระในถ้ำท่านเล่าเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยฟังจากโยมยายมาก่อนยิ่งไปกว่านั้นยังไม่มีในคัมภีร์อีกด้วย ผมไม่ทราบว่าหลวงพ่อเคยได้ยินมาบ้างหรือไม่ท่านพระครูถามขึ้นเรื่องอะไรเรื่องพระกัสปะพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สแห่งพัทระกัปปะหากนับจากพระพุทธเจ้า25้าพระองค์จะอยู่ลําดับที่24แต่ท่านนับจากพระพุทธเจ้า28พระองค์จะอยู่ในลําดับที่ยีสิบ็ด ท่านเล่าว่ายังไรท่านบอกว่าขณะนี้พระพุทธสารีระของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ยังอยู่ที่ป่าหิ ม, มพานต์ไม่เน่าเปื่อยเพราะพื้นที่แห่งนั้นปกคลุมด้วยหิมะเมื่อครบห้าพันปีและสิ้นอายุศาสนาของพระสมณโคดมแล้วพระเมธเตยะหรือพระศีอาริจะจุติ จากสวรรค์ชั้นดุสิตมาอุบัติยังโลกมนุษย์และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่หแห่งพัทธรกัปปะพระองค์จะถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระกสปะพุทธเจ้าด้วยพระเนรที่สาซึ่งอยู่กลางพระนันลาดปกติพระเนรดวงนี้จะหลับอยู่เรื่องนี้ผมไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน หลวงพ่อล่ะครับเคยได้ยินบ้างไหมภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าถามผมเคยได้ยินเรื่องพระศรีอาริในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาสก็มีเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ว่าจะมาตรัสรู้ในอนาคตการเมื่อสิ้นอายุศาสนาของพระสมณะโคดมแต่ไม่ได้กล่าวถึงพระเนตรที่สพระศรีอาริหรือพระเมตเตยะพุทธเจ้านี้ ฝ่ายมหายานเขานับถือมากผมเคยเห็นพระพุทธรูปของพระองค์ที่คนทิเบตเขาสร้างขึ้นมาบูชาที่กลางพระนาราศมีพระเนรที่สามหลับอยู่อย่างที่ท่านว่ามานี่แหละฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นไปได้นะไม่เช่นนั้นคนทิเบตเขาคงไม่สร้างพระพุทธรูปของพระองค์ให้มีพระเนธสามดวงและที่สําคัญคือพระเนรที่สามทไมต้องหลับด้วยพระในถ้ำ ท่านบอกว่าที่ต้องหลับเพราะเมื่อลืมพระเนตรดวงนี้จะมีไฟพุ่งออกมาทำให้ผมนึกถึงเรื่องรือสีตาไฟมันก็น่าคิดนะแต่อะไรที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อหรือไม่เชื่ อ, อย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้พิสูจน์ได้ว่าจริงค่อยเชื่อหรือพิสูจน์ได้ว่าไม่จริงค่อยไม่เชื่อ ภิกษุสูงวัยแสดงท่าทีต่อความเชื่อต้องทำใจเป็นกลางไว้ใช่ไหมครับในรัตนาถามถูกแล้วโยมเหมือนที่ภาษตจีนเขาว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ใช่ไหมครับสมภา์วัดป่ามะม่วงอ้างภาษตจีนก็ไม่เชิงเหมือนเสียทีเดียวแต่ว่าคลิคลายอย่างนั้นก็ได้ ท่านสัทธาติดสาตย์ตอบเงียบกันไปพักหนึ่งท่านพระครูก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับตอนออกมายืนที่หน้าถ้ำผมได้ยกมือประนมแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าหากข้าพเจ้ามีบุญบา ร, รมีขอให้ข้าพเจ้าได้พบสิ่งมหัศจรรย์นี้ที่ประเทศไทยภายในสามวันหรือสามเดือนหรือสามปี หลวงพ่อว่าผมจะได้ตามที่อธิษฐานหรือไม่ครับการอธิษฐานจะสำเร็จผลต้องขึ้นอยู่กับสัจจะหากผู้อธิษฐานมีสัจจะก็อธิษฐานขึ้นถึงผมเพิ่งจะรู้จักท่านแต่ผมก็มั่นใจว่าท่านเป็นคนมีสัจจะเพราะฉะนั้นผมขอทนมนายว่าท่านจะได้พบนารีผลในประเทศของท่านภายในสามเดือน ท่านสัทธาติดสะพูดอย่างมั่นใจทำไมไม่เป็นสามวันหรือสามปีล่ะครับทำไมต้องสามเดือนภิกษุไวัยสต้องการทราบเหตุผลก็ผมเป็นสิทธิพระตถาคตพระองค์ทรงสอนให้เดินสายกลางคือมัชชิมาปฏิปทาผมก็เลยตอบว่าสามเดือนเพราะอยู่ตรงกลางถ้าท่านถามว่า ภายในเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีผมก็จะตอบว่าเจ็ดเดือนเพราะอยู่ตรงกลางคือเหตุผลของภิกษุลังกาในรัตนะจึงสนับสนุนว่าพระคุณเจ้าคิดเหมือนผมเลยครับถ้าให้ผมตอบผมก็จะตอบแบบเดียวกับพระคุณเจ้าด้วยเหตุผลเดียวกันสแสดงว่าชาวลังกาคิดอะไรเหมือนกัน อย่างนั้นใช่ไหมท่านพระครูยาวก็ไม่เชิงหรอกครับพระคุณเจ้าผมว่าน่าจะเป็นวิธีคิดแบบชาวพุทธมากกว่าคือศาสนาของเราสอนอะไรที่เป็นกลางๆไม่สุดโตงไปข้างใดข้างหนึ่งการที่พระพุทธองค์ทรงสอนมัชฌิมาปฏิปทาก็เพื่อหลีกเลี่ยงทางสุดโตงสองทางคือกามสุขันลิ ก, กานุโยก กับอัตกิละมฐานุโยชาวพุทธก็เลยถือเอาเรื่องนี้มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนายรัตนอาอธิบายรถของนายรัตนะกับรถบัสแล่นมาถึงท่าอากาศยานเมืองคอลัมโบในเวลาไล่เลี่ยกันเพราะการจราจรไม่ติดขัดรถราวิ่งได้สะดวกและมาถึงที่หมาย ตรงตามเวลาที่กําหนดหลวงพ่อแพรตื่นเองโดยไม่ต้องให้ใครปลุกท่านรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปรา่าหลังจากได้หลับไปงยีบใหญ่ๆกระนั้นก็บอกท่านพระครูว่าช่วยแปลให้ท่านสัทธาติดสะด้วยว่าท่านขอโทษที่เสียมารยาทนั่งหลับมาในรถเพราะฉันเหนื่อยประการหนึ่งอีกประการหนึ่ง ฉันฟังภาษาของท่านไม่ออกไม่เก่งเหมือนเธอนี่น้ำเสียงมีแววประชนนิดๆผมก็ไม่เก่งอะไรหรอกครับเพียงแต่โชคดีที่เคยเรียนมาไม่เช่นนั้นก็คงพูดไม่ได้เหมือนกันแต่ภาษาสิงห์นเรียนง่ายนะครับผมว่าท่านหลวงพ่อเรียนต้องเก่งกว่าผมอีกเพราะหลวงพ่อเป็นมหาป ร, ริญญาสอบได้ตั้งหลายประโยคส่วนผม ไม่ได้สักประโยคเดียวท่านพระครูพูดอย่างอ่อนน้อมทำตนทำให้หลวงพ่อแพรรู้สึกดีขึ้นหลวงพ่อครับหลวงพ่อของผมท่านขออภัยที่นั่งหลับมาในรถเพราะท่านเหนื่อยพิกษุไวัย43บอกท่านสถัทธาติดสะท่านจงใจไม่เอ่ยถึงเรื่องภาษาไม่เป็นไรครับผมเห็นท่านหลับ ก็ดีใจที่ท่านได้พักผ่อนเมื่อสัมพั์วัดป่ามะม่วงแปลให้หลวงพ่อแพรฟังภิกษุอาวุโสรู้สึกซาบซึ้งในอัธยาศัยไมตรีที่ภิกษุลังกามีต่อท่านทั้งยังไม่ถือสาที่ท่านพูดภาษาของเขาไม่ได้เป็นอันว่าท่านพระครูทำหน้าที่ล่ามได้อย่างไม่ขัดตกบกพร่องเมื่อเข้าไปรอในห้องพักรับรองพิเศษ ท่านพระครูก็ได้บริจาคปัใจจัยให้พระมกุฎเทศจำนวนห0 0 0 0่นบาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาของพระภิกษุชาวไทยที่มาศึกษาในประเทศศรีลังกาหลวงพ่อแพรบริจาคไป 5,000 ันบาทเพราะท่านคิดว่าไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรมากจึงนำติดตัวมาเพียงหมื่นเดียวและครึ่งหนึ่งหมดไปกับการซื้อของมาฝากลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมที่มาด้วย ต่างร่วมกันบริจาคชนิดเทกระเป๋าหากก็ได้ไม่มากนะักเพราะซื้อของกันเพลินจนเงินแทบไม่เหลือสินค้าที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของศิลังกาคืออั ญ, ญมณีและใบาชาสินค้าประเภทแรกนั้นทำให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวพระครูบุญมีคาดไม่ถึงว่าท่านพระครู จใจบุญใจกุศลถึงป่านนี้ความรู้สึกทางลบที่มีต่อท่านในช่วงแรกๆมาลายไปสิ้นคิดว่าจะตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จสมดังเจตนารมณ์ของผู้ให้ทุนผมจะตั้งเป็นกองทุนนะครับหลวงพี่ภิกษุวัย40ปรารภท่านพระครูนึกขำที่ถูกเรียกว่าหลวงพี่ อย่างสนิทสนมท่านนึกในใจว่านี่แหละนะที่โบราณท่านว่าไว้มีเงินเขานับเป็นน้องมีทองเขาก็นับเป็นพี่ใครไม่มีเงินทองเขาก็ไม่นับเป็นน้องเป็นพี่ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรก็แล้วกันตัวผมเรียนมาน้อย จึงอยากสนับสนุนเรื่องการศึกษาสมภารวัดป่ามะม่วงพูดออกตัวเพื่อไม่ให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดรู้สึกว่าท่านข้ามหน้าข้ามตากระนั้นหลวงพ่อแผ่ก็รู้สึกจนได้เพราะท่านพูดว่าเธอรวยนะ บริจาคมากกว่าฉั้นตั้งสิบเท่าคนเป็นเจ้าคณะอำเภอบริจาคตั้งห้ามื่นส่วนคนเป็นเจ้าคณะจังหวัดบริจาคแค่ห้าพันฉันนึกสมเพทตัวเองจริงๆลุงพ่ออย่าคิดอย่างนั้นเลยครับก็อย่างที่ผมบอกกับพระครูบุญมีว่าผมเรียนมาน้อย จึงอยากสนับสนุนเรื่องการศึกษาหลวงพ่อโชคดีกว่าผมที่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจึงไม่จำเป็นต้องสร้างบุญในเรื่องนี้ถึงอย่างไรหลวงพ่อก็มีบารมีมากเพราะกำลังจะสร้างหลวงพ่อโตราคาตั้งย0สิบล้านผมตั้งใจว่าจะช่วยเต็มที่รับรองว่าไม่เกินสามปีต้องเสร็จท่านพูดให้กาลังใจ ท่านก็หวังว่าจะเป็นอย่างที่เธอพูดขอบใจที่บอกว่าจะช่วยเธอเป็นคนพูดจริงทำจริงฉันมั่นใจว่าต้องสำเร็จแน่นอนท่านคุยเรื่องอะไรหากไม่เป็นความลับผมอยากร่วมวงด้วยท่านศรัทธาติดสะพูดขึ้นสมภารวัดป่ามะม่วงจึงเล่าเรื่องที่หลวงพ่อแพ จะสร้างพระพุทธรูปขนาดความสูง20เมตรราคา20ล้านบาทท่านเลือกจะท่านเลือกเล่าเฉพาะสิ่งที่ควรเล่าเท่านั้นผมขอเอาใจช่วยนะครับคนไทยรวยจังที่สามารถสร้างพระพุทธรูปราคาตั้ง20ล้านคนลังกาไม่มีเงินมากมายอย่างนั้น รวยอย่างเดียวไม่พอหรอกครับหลวงพ่อต้องมีศรัทธาด้วยคนไทยที่รวยแต่ไม่มีศรัทธาเขาก็ไม่ทำบุญนะครับแต่จะว่าไปแล้วคนรวยเขาไม่ชอบทำบุญสักเท่าไหร่คนที่ชอบทำบุญส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจนท่านพระครูพูดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสังคมไทย ผิดกับคนลังกาไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรเขาก็ชอบทาบุญกันยิ่งคนที่อยู่ในระดับเศรษฐีอย่างโยมรัตนะก็ยิ่งชอบทาบุญมากทว่าการทาบุญจะออกมาในรูปของการสวดมนต์ถือศีลเจริญภาวนาและสงเคราะห์ช่วยเหลือคนยากจนแต่จะไม่สร้างอะไรที่สิ้นเปลืองเงินทองมากๆอาจเป็นเพราะประเทศของเราค่อนข้างยากจน คนจนมีมากกว่าคนรวยโชคยังดีที่คนรวยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธถึงอย่างไรเงินทองก็สำคัญเพราะนั่นหมายถึงอำนาจในการต่อรองจริงไม่โยมท่านถามนายรัตนะจรครับพระคุณเจ้าที่ชาวพุทธมีอำนาจในการบริหารประเทศเพราะเรารวยกว่าพวกธรามินถึงกระนั้นก็ยังต้องคอยระมัดระวัง เพราะพวกธมินจ้องจะทำลายล้างพระพุทธศาสนาให้หมดไปจากสีลังกาไม่รู้ว่าทำไมถึงจงเกล็ดจงชังพวกเรานักนายรัตนะพูดยิ้มยิ้มมีได้รู้สึกเครียดแค้นริงชังพกทธมินแต่ยังได้คงจะเป็นคู่เวรกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนกรรมังท่านพระครูลงความเห็น ผมก็คิดอย่างนั้นถ้าไม่มีเหตุผลจะเกิดได้อย่างไรแต่ชาวพุทธเราก็ไม่จองเว น, นะครับเพราะเรายึดมั่นในคำสอนอันเป็นสัจธรรมที่ว่าเวณจะสิ้นสุดก็ต้องหยุดจองเวนทุกวันนี้เราก็เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวไม่เคยเป็นฝ่ายรุกเสียงประกาศให้ผู้โดยสารไปขึ้นเครื่องคณะเดินทางทั้งพระและครอหอัดจึงอําลาท่านสัทธาติปสกับพระมกุฎเทศห้ารูป รวมทั้งนายรัตนะจากนั้นจึงเดินไปขึ้นเครื่องท่านศรัทธาติตสะกลับรถของนายรัตนะส่วนพระมคุเทศกลับรถบสัสพระนักศึกษาห้ารูปรู้สึกอุ่นใจที่ท่านพระครูเป็นผู้ริเริ่มตั้งกองทุนการศึกษาให้พวกตนจะได้ตั้งอกตั้งใจเรียนโดยไม่ต้องกังวลว่าจะขัดสนด้านปัจจัยสมภานวัดป่ามะม่วง ท่านจังมีน้ำใจงดงามเหลือเกิน